เนยก็พูดถึงว่าพระพุทธเจ้านะั้นมีพระปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกอย่างชัดเจนแจ่มใสปุเพนิวาสานุสติญาณของพระพุทธเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์พันดวงยามเที่ยงวันเหมือนกันสว่างสวัยเหมือนดวงอาทิตย์หนึ่งพันดวงยามเที่ยงวันคือถ้าชยานไม่ชัดเจนขนาดนั้นบอกต้นไม้ได้ไหม มันยากนะบอกต้นไม้ต้นไม้สูงกี่ศอกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นใช้เวลากี่วันพิจารณาอะไรบ้างเนี่ยนะมนจะลงรายละเอียดขนาดนั้นเนี่ยยากถ้าไม่ใช่วิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าที่เก่งขนาดนี้เนี่ยน ะ, นะการที่เราเรียนมหาประทานสูตร ให้รู้เทอะว่าเท่ากับเรียนปุบเพนิวาสานุสติยานของพระพุทธเจ้ายานที่อย่างรู้อดีตของพระองค์ว่าพระองค์นั้นรอบรู้ในสิ่งที่เป็นอดีตทั้งสังคตะและอสังคตะโดยไม่มีส่วนเหลือจริงๆแต่ยกเอาเฉพาะสังคตะที่มีประโยชน์อย่าลืงว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะไม่ตรัดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่พระองค์ตัดนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์อย่างเดียว เช่นตราเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยนะมันอะไรก็ได้ที่เกื้อกูลต่อการตรัสรู้มรรคผลต่อสรรพสสารทั้งหลายพระองค์ก็จะเอามาแสดงเนี่ยนะเพราะว่าเอาประโยชน์อย่างยิ่งของสรรพสสวรเป็นที่ตั้งถ้าไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์โลกหน้าก็ยังดีไม่ได้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์โลกนี้ไม่เดือดร้อนก็ยังดีนะพระองค์ก็เป็นผู้ที่เล็งถึงประโยชน์เป็นเป็นผู้ที่ระลึกถึงศาสกะสัมปชัญญะระลึกถึงประโยชน์เป็น เป็นหลักเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะพาะพฤติกรรมทุกอย่างของพระองค์นั้นสำเร็จด้วยสัมปชัญญะงั้นการที่พระองค์หยิบยิ บ, ยบเอาเรื่องในอดีตเนี่ยนะมาแสดงลงถึงรายละเอียดกท็ทำให้เราเนี่ยเห็นเห็นพระพุทธญาณของพระองค์ยามที่ยังรู้อดีตโดยไม่ติดขัด ก็มีชื่อยานหมวดสามอีกอันหนึ่งนะาบอกว่ายานที่ยังรู้อดีตโดยไม่ติดขัดยานที่ยังรู้อนาคตทั้งหมดโดยไม่ติดขัดยานที่ยังรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันในทั้งหมดเลยนะอย่าว่าหมื่นโลกกระท่าแสนโลกกรทายิ่งกว่านั้นก็รอรอบรู้โดยไม่มีปริมาณที่จำกัดแล้วก็ไม่มีอะไรมาปิดกั้นได้เรียกว่ายานที่ไม่ติดขัดไม่ขัดข้องในการสาม นะยานที่ไม่ติดขัดไม่ขัดข้องในการสามยานของพระพุทธเจ้าจะนับหนึ่งก็ได้นับหมวดสองก็ได้หมวดสามหมวดสี่หมวดห้าหมวดหกหมวด7ดหมวดปดหมวดเก้าหมวดสิบหมวดสิบสองไล่ได้หมดเลยนะเอาเฉพาะเรื่องยานอย่างเดียวอย่างเช่นยานก็คือตัวปัญญาเน้นพิเศษว่าปัญญา น, นั้นคือตัวความรอบรู้ นีถ้าคุณธรรมโดยเฉพาะยานหมวดส่อหมวด3ของพระพุทธเจ้าก็คือยานไม่ติดขัดในอดีตยานไม่ติดขัดในอนาคตยานไม่ติดขัดในปัจจุบันยานถ้าเป็นยานหมวดสองก็ไม่ติดขัดในสังฆตะและอสังฆตะถ้ายานหมวด4ี่ก็คือยานที่กำหนดกำเนิด4ยานหมวด5ก็คือกำหนดคติหและเหตุให้ถึงกติหายานหมวด6ก็คืออาสาธระยาน6กยานหมวด7ก็คือยานที่แจ่มแจ้งใน โทษชงเจ็ดยานหมวดแปก็คือยานที่แจมแจ้งในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปยานหมวดเก้าก็คือยานอนุในอนุปภาพวิหารสมาบัติเก้ายานหมวดสิบก็คือทศพลายานสิบยานสิบยานหมวดสิบสองก็เช่นยานในธรรมจักเมีอาการสิบสองหรือยานสิบสี่ก็คือพุทธยานสิบสี่เป็นต้นเนี่ยนะนั่นก็แล้วแต่จะชอบหลักเลขตัวเลขหมวดไหนก็ได้ทั้งนั้นเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องยานที่พระองค์รอบรู้ใน อดีตการที่พระองค์เนี่ยนะตรัสรู้สิ่งที่เป็นอดีตทั้งหมดตรัสรู้สิ่งที่เป็นอนาคตทั้งหมดตรัสรู้ในธรรมะที่เป็นปัจจุบันทั้งหมดมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะถ้าตั้งมาเป็นคําถามมาแล้วมีประโยชน์กับเราอย่างไรเราได้ดีตรงไหนเมื่อเมื่อพระองค์รู้ขนาดนั้นสิ่งที่เราจะได้ดีก็คือว่าเราจะละความเคลือบแคลงสงสัยในพระคุณของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ไม่สงสัยใน คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราไม่สงสัยในพระคุณของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่สงสัยเมื่อไม่สงสัยในพระปัญญาของพระองค์ก็จะไม่สงสัยในสิ่งที่พระองค์สอนเชื่อมั่นได้เลยว่าสิ่งที่พระองค์สอนมีประโยชน์อย่างเดียวเราก็จะปักใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนการที่เราปักใจมีใจดิ่งที่จะปฏิบัติตามคาสอนด้วยศรัทธาหรือด้วยปัญญาก็ตาม นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราทั้งหลายแต่ถ้าเราสงสัยใจมันก็ไม่น้อมไปเมื่อใจไม่น้อมไปใครเสื่อมประโยชน์นะเราไม่นับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าพระองค์เสื่อมเกียรตินะก็ก็ก็เหมือนกับว่าอย่างว่าถ้าเราแหมไม่ค่อยสงสัย่ดวงอาทิตย์นี่จะส่องให้สว่างจริงหรือไม่แน่ใจหลับตาอยู่ก็ได้อย่างนั้นก็เลยดวงอาทิตย์ก็ไปแสงสว่างดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ลดลงถึงเรามองเห็น แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์ปัญญาของพระองค์นี้ถึงความคงที่แล้วประดุษแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันและเป็นพันดวงด้วยเนี่ยนะพันอย่างของเราทั้งหลายเนี่อรู้เท่าใดอันนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเพื่อกูลเพื่อสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เราเองด้วยถ้าเราได้ประโยชน์ตนเราก็จะช่วยให้ผู้อื่นได้รับ ประโยชน์ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็จะเกิดขึ้นเราก็จะได้รับประโยชน์โลกนี้คือได้เจริญคุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมเพิ่มพูนอริยทรัพย์ขึ้นและปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นอันตรายต่อโพวกขัตย์และกะ็ผู้ที่ไม่ประมาทก็สามารถที่จะหาพวกขัตย์ได้ประโยชน์โลกนี้ก็ได้ถ้าไม่ตรัสรูม้มรรคผลเป็นผ้าหันนะถ้าบรรลุมรรคชั้นล่างระดับไปก็เกื้อกูลต่อประโยชน์ โลกหน้าเพราะไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตในที่สุดก็แทงตลอดอริยสัตว์เป็นพระอารหันต์ในระดับสูงอย่างแน่นอนังนั้นการที่เราเข้าใจในพระพุทธคุณเท่าใดเรารอบรู้ในพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราโดยส่วนเดียวังนั้นการที่เราเรียนพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราก็ดีพระพุทธเจ้าทั้งเจพระองค์เลยนะองค์ในองค์อดีตนะตั้งแต่วิปัสสีสิกีเว ê, สภูกะกูสันทะโกนาขมนะกะสปะถึงพระพุทธเจ้าของเราในบัดนี้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มาเช่นเดียวกันมาเช่นเดียวกันในการสร้างบารมีเช่นเดียวกันในการตรัสรู้เช่นเดียวกันในการแสดงธรรมนะเช่นเดียวกันในการบรรัญญัติศาสนาในการบรรัญญัติข้อปฏิบัติเพื่อความ พ้นทุก์เราก็จะมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติในคําสอนที่แตกต่างจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเลยขณะเดียวกันสิ่งที่เราศึกษาคือศีลสามเหล่านี้อธิสินอธิจิตอธปิปัญญาถ้าไม่สําเร็จในภพนี้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาก็ตรัสรู้ในสิ่งเดียวกันอันนั้นก็จะเป็นบุญเป็นวาสนาที่จะทําให้เราตรัสรู้ต่อไปในอนาคตอย่าลืมว่า พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเน้นพิเศษก็คือพวกที่พอจะบรรลุได้เท่านั้นเป็นประมาณเพราะอะไรผู้ที่เขาบรรลุได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากเขาสั่งสมบุญมาแล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในอดีตเอาแล้วสําหรับผู้ที่มาสร้างบารมีในพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถ้าไม่ตรัสรู้ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมพระองค์นี้ก็จะตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อๆไปถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญมาในอดีตยังไงก็ไม่ได้บรรลุเชื่อ แต่ถามว่าไอการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมมีประโยชน์อะไรมีซีเพราะเป็นทางแห่งสุขติโลกสวรรค์และเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่มีกำลังที่จะให้พระพุทธเจ้าในอนาคตเหล่งเห็นใช้พระอะไรใช้พระสัพพัญยุตยาม ใช้สัพพัญยุตยานที่เรียกว่าสมันตะจักสุใช้พุทธจักสุอินเดียประโภปยตยานเป็นต้นตรวจสอบดูว่าเขาเป็นผู้สั่งสมบุญบารมีคู่ควรที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็อาศัยพระปัญญาและพระมหากรุณากระตุ้นเตือนพระองค์ก็จะมาสงเคราะห์เราช่วยพวกเราให้พ้นจากวัตทุกเนี่ยนะเพราะขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทั้งบุญเป็นทั้งวาสนาเป็นทั้ง อุปนิสัยเพราะฉะนั้นการทํากุศลให้เกิดนั้นจึงเป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวเนี่ยนะนี่เลยไปหาพระพุทธเจ้ารายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งเจ็พระองค์เพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับพระอัครสาวกที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีมีพระขันดะและพระติสสะเป็นคู่อัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญ เป็นเรียกว่าเป็นคู่ที่เจริญที่สุดในจำนวนสาวกทั้งหลายนะพระคันดะเป็นเลิศทางปัญญาพระติสระเลิศทางสมาธิพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสิขี มีพระอภิภูและพระสัมภวะเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเวสภูมีพระโสนและพระอุตรเป็นคู่อัระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากักุสันทะมีพระวิทูละและพระสัญชีวะเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะมีพระพิโยสะและพระอุตตระเป็นคู่อักระสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญ พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัสสะมา ส, สัมพุทธเจ้าพระนามว่าอกัส ป, ปะมีพระติดสะและพระภารัตวะชะเป็นคู่อัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญดูความพิสูจนทั้งหลายเราบัดนี้มีสารีบุตรและมูคาลานะเป็นคู่อัครสาวกซึ่งเป็นคู่อันเจริญเนี่ยนี่ก็กล่าวถึงเกี่ยวกับพระอรยะิย์พระอัครสาวกข้างขวากับข้างซ้าย อย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยนะพระคันดะกับพระติสสะพระคันดะที่เป็นอัคขระสาวกข้างขวานั้นเป็นผู้ที่มีบิดาร่วมกันกับพระพุทธเจ้าเป็นลูกผู้เนอะ อ, อะไรนะพ่อเดียวกันแต่ถือว่ามีศัก์เป็นน้องของพระพุทธเจ้าส่วนคันดะนั้นเป็นบุตรของปุโรหิตเนีย่ยนะก็แสดงว่าแวดวงเดียวกันนั่นแหละ อีกท่านหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าเพราะบำเพ็ญบารมีคู่ควรแก่การเป็นพระพุทธเจ้าอีกสองท่านบำเพ็ญบารมีคู่ควรแก่เป็นพระอัคาระสาวกเพราะฉะนั้นพระคันดะที่ถึงที่สุดแห่งปัญญาพระติสระถึงที่สุดแห่งสมาธิคําว่าอัคคังอัคคะที่วันเลิศเลิศก็คือสุดยอดหรือสูงสุดเพราะเป็นผู้ที่มีคุณไม่เหมือนกับ สาวกที่เหลือเว้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านเหนือกว่าทุกๆององในนั้นอันนั้นอย่างสมมติว่ า, า, พ, ร พ, าพระเหล่านี้เนี่ยนะเป็นผู้ที่ยังถึงพระพุทธคุณได้มากกว่าคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าปัญญาเนี่ยนะเขาบอกปัญญามากปัญญาน้อยวัดกันที่ไหนวัดกันที่ว่ารู้จักคุณพระรัตนตรัยถ้ามีปัญญามากเท่าใดก็รอบรู้ในพุทธคุณมาก เท่านั้นถ้ามีปัญญาเท่าใดก็รับรู้ในพระธรรมแล้วสามารถนำเอาพรธรรมมาแสดงได้เท่านั้นถ้ารับรู้ในพระพุทธพระธรรมอย่างนั้นก็เข้าใจเลยว่าพระอริยาสาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้อย่างไรเพราะนั้นท่านเหล่านั้นก็สามารถเอามาบอกมาประกาศแต่งตั้งเปิดเผยธรรมให้ง่ายอันนะัช่วยพระพุทธเจ้าในการประกาศอริยสัจช่วยพระพุทธเจ้าในการประกาศ อริยธรรมเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศเนื้อกว่าสาวกอื่นๆทั้งหมดก็คือพระอัครส า, าวกนั่นเองสาวกผู้เลิศส่วนของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสิกขีมีสาวกชื่อว่าอภิภูกับสัมภวะเนี่ยนะองค์ที่ชื่อว่าอภิภูนั้นถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีมีอยู่ครั้งหนึ่งสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีเนี่ยท่านไปสู่พรหมโลกพระทหาไ์ไปไปพรหมโลกเนี่ยนะ จากเมืองอรุณาวดีท่านไปพร้อมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีแล้วก็แสดงปาฏิหาริย์ล้าอย่างแก่พรมบริษัทธแสดงธรรมะแผ่ไปทั่วหมื่นโลกาธาตุคือท่านเนี่ยท่านให้หมื่นโลกาธาตุเนี่ยนะท่านแผ่ท่านเข้านีและกษณ์ศก่อนและอธิษฐานให้หมื่นโลกาธาตุเนี่ยมืดทั้งหมดเลยในชั้นแรกเนี่ยท่านพระอภิภูเนี่ย ท่านให้หมื่นโล ก, กธาตุนี่มืดมิดเลยนะด้วยอนุภาพเนรกระสินของท่านเสร็จแล้วท่านก็เปิดแสงสว่างคือตอนนั้นเนี่ยสัตว์กําลังสังเวชเพราะมืดถูกหมายว่าอยู่ๆแล้วมันมืดขึ้นมาเฉยๆเสร็จแล้วก็ท่านก็เปิดตัวของท่านด้วยแสงสว่าง น, นะชนก็มองเห็นรูปของพระอภิภูเสร็จแล้วพระอภิภูก็แสดงธรรมสัตว์ทั้งหลายก็ได้ยินเสียงของท่าน เพราะท่านเทพทีดังดหมื่นจั ก, กรวาลเนี่ยนะอย่าว่าจั ก, กรวาลเดียวเลยเพราความสามารถของพระอภิภูนั้นขนาดนั้นอันนี้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิกขีถามว่าอย่างพระพุทธสารีบรเป็นต้นท่านทาได้ไหมถ้ามีประโยชน์ท่านก็ทำนะถ้าถ้าช่วงนั้นนะมีความจำเป็นที่จะต้องทำท่านก็ทำเพราะท่านเหล่านั้นไม่ใช่นัก นักจำอวดหรือว่าไปที่ไหนก็ยกย่องแต่ความรู้ความสามารถตัวเองแม้ไปที่ไหนก็มีแต่อหังการมัมมังการสำคัญตัวยึดถือเอาแต่ตัวสำนวนที่ภาษาไทยใช้คาว่ายะโสโอหังอะไรเป็นต้นท่านเหล่านั้นไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ท่านทำสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อย่างเดียว เพราะหากว่าถ้าท่านทําสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์แล้วท่านเหล่านั้นคงปรินิพานนานแล้วอย่างพระสารีบุตรท่านเลือกปริณิพานเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกัปที่แล้วก็ได้ตอนที่พบพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนมะะุมทตสีตอนนั้นเชื่อไหมลูกศิษย์ท่านมีประมาณเจ็ดหมื่นเป็นพระอทหารหมดเหลือแต่อาจารย์คนเดียวเพราะอาจารย์ต้องการจะเป็นอัครสาวกก็เลยไม่ได้บรรลุเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกัปแต่ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะ พอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบบรรลุมหมดเลยอันนี้คือคือให้เห็นว่าความสามารถของท่านเหล่านั้นนั้นถ้าท่านจะถือเอาแช่ลำพังประโยชน์ตนเพื่อให้ตรัสรู้เป็นสาวกปกติรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นท่านจะตรัสรู้นานแล้ว น, น, นะนะพันก็ถือว่าเป็นพระกรุณาของพระสารีบุตรเนี่ยนะที่เอามาแสดงปฏิสัมพิธามัคจุรนิเทศมหานิเทศ นนช่วยช่วยให้พระาศาสนาดำรงอยู่ในโลกเนี่ยนะก็อาศัยท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้